เดี๋ยวก่อนเนาะฟังให้เข้าใจก่อนนะอย่าพึ่งทำอะไรอย่าพึ่งทำอะไรตรงนี้ียบางนีบฟังก่อนคือเข้ามาวัดเสร็จแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทาตามธรรมเนียมประเพณีมันจะไม่ได้อะไรสท้ายก็ได้เกาขาวกับบัดเหมือนเดิม ฟังนนก่อนเนาะอย่าพึ่งทำอะไรเอาใครถนัดนั่งก็นั่งใครถนัดยืนก็ยืนเนาะยืนฟังก็ได้พูดง่ายที่สุดก็คือคนพูดยากที่สุดก็คือคนนี่นั้นพิธีกรรมที่โบราณอาจารย์ที่พวกเราทัางหลายทำไว้เราก็เพื่อเ้องการจัดระเบียบสังคมนี่แหละ แต่ไม่ความคิดลึกซึ้งของโบราณอาจารย์ของพวกเรานี่ไม่ธรรมดาไปงานทาไม่มีการทำให้เราไหว้พระรับศีลหรือพฤธิกรรมอย่างอื่นมันก็จะเป็นลูล่ละลุงลังหมดอ่ะมันไม่จบก็ใจตรงกันเนะาะอ่าแอบมีตุละอะไรก็ไปว่ากันข้างนอกเออมันจะวัดได้วัดกันจริงๆอ่มันนม้มาวัด มาวัดจริงๆก็คือมาวัดกายตัวเองวัดปัจจัตัวเองวัดใจาตัวเอ ง, าาเองให้เข้าใจ3มเรื่องแคนน่นี้นี่คือการมาวัดแต่ถ้าเรามาวัดแล้ววัดกายก็ไม่ได้วัดปัจจัก็ไม่ได้วัดใจาก็ไม่ได้ไปวัดไหนเป็นหมื่นเป็นแสนทั่วประเทศไทยก็มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หรือความหมาย ในการเข้ามามันก็ได้แต่ท่านเรียมประเพณีแล้วก็กลับไปเฉยๆมันไม่ได้อะไรเหมือนตอนนี้เราเริ่มวัดได้แล้วคือวัดกายวัดวาจาอันนี้เงียบสงบแล้วก็วัดใจรเราจะเห็นว่าตลอดสามเดือนที่ผ่านมาในภาษาเราก็มุ่งที่จะพยายามที่จะสื่อสาร ให้พวกเราเข้าใจว่ า, าศาสนาในตีนนี้หมายถึงทรรมกับวินัยสหวนพู้ที่เจ้านั่งเป็นเป็นผู้โหดพบแต่ว่าความหมายของศาสาศนาจริงๆคือทรรมกับวินัยเพราะนั้นถ้าใครปฏิบัติทรรมได้มีศีลคือวินนยได้นั่นแหละคนเรียกคนมีาศาสนา คนทําก ja ็มือยิษักวินัยก็มือยิษักคือไม่มีศีลเลยก็เะียกว่าคนไม่มีศาสนาถึงแม้ปฏิญาณตนทวกวันแต่ก็เชื่อว่าคืคนไม่มีศาสนาความใศาสนาจึงอยู่ด้วยความเข้าใจสําคัญอยู่ด้วยความเข้าใจพิธีสาคัญคือสาคัญที่สุดพราสิ่งที่ผู้เจ้าแยบสื่อสารแล้วก็เผยแพร่ ติดต่อกันมาสองพันกว่าปีมานี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรอื่นไป ค, คือให้รักษาหัวของตัวเองให้ดีวันไหนเราไม่มีหัวเมื่อไหร่ลำบากนะแต่ยินผีหัว ข, ขาดไหมอยู่ยากนะเปะ น, นสิ่งที่พูะเจ้า บอกของเราสามเรื่องก็คือหนึ่งคำ ว, งว่าสํารวมมันจะตีคำว่าศีลจะตีคำว่าอะไรก็แล้วแต่มันใช้คำว่าอย่างนี้คือสัวระก็สวรสัมรวมอะไรสัมรวมเกิดจากอะไรอันนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกสํารวมันก็คือระมัดระวังตาตัวเองอันนี้ก็ส่วนหัวเลยนะยังไม่ได้มัคิดถึงข้างใน ระวังหูโูเราเอียงเอาไว้ไเลดา้าเนี่ยสำคัญมันรับมันรับมาบนตัวเลดา ร, ระวังตาอันนี้ก็เลดาเหมือนกันที่ผ่านเข้ามาให้เรสื่อสารเข้ามาทางตาทําทำให้เกิดความรู้รู้ว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างเท e t บ้า ง, งจริงบ้างเหลวผัสสะ กระทบเสร็จ แ, แล้วเกิดความพอใจไม่พอใจในเสียงเหล่านี้ก็คือเกิดความโลภเกิด ค, ความโกรธเกิด ค, ความหลง่ง่ายๆเป็นประสภ า, าษาเราแต่ไทยไง่ายๆทีนี้จะอยู่กับความโลภยังไงจะอยู่กับความหลงยังไงอยู่กับความโกรธยังไงเราถึงจอยู่ได้แต่ที่สำคัญเบื้องต้น ก็ให้รู้จักว่าก็เท่าแล้วอันนี้มันเกี่ยวกับโลภนะใ น, นต่อไปมันจะโปรดนะตาไปมันจะหลงคือโมหะความงำก็มีผลต่อชีวิตคือมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราอันนี้คือแรกสองเพื่อให้เข้าใจสิ่เหล่านี้คือสิ่งที่เลด้ารับมาทางหู ก, ก็ดีทางตากรดี จะแสดงออกนั้นตรงนี้ผู้เจ้าเริ่มทันทีเลยว่ามันเป็นความจริงไหมคือสัจจานั่นแหละก็คือสัจธรรมถ้าเป็นความจริงแล้จะทำยังไงต่อถ้าเป็นความไม่จริงเราจะทำยังไงต่อเราเริ่มใช้ปัญญาเใช้ปัญญา เ ร, เริ่มเริ่มจากพอเห็นปุ๊บสัญญาทำหน้าที่คือความจำมันจำได้ว่าเรื่องอย่างนี้เป็นงนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้คนชื่อนั้นคนชื่อนู้นสัญญาทำหน้าที่มันทำหน้าที่แล้วมันก็หยุดแค่สัญญามันไม่ไปต่อไปถึงปัญญาไปนสิ่งที่เราจะต้องฝึกต้องควบคุมต้องหัสต้องปฏิบัตินี่นคือเขาแรกคือความจริงให้เราฝึก ตัวเองยอมรับความจริงความเป็นจริงที่อยู่บนโลกใบนี้ความจริงไม่มีใครเป็นเจ้าของความจริงนั่นคือธรรมะเพราะนั้นธรรมะจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นความจริงเขาอยู่อย่างนั้นชั่วนาตาปีแต่ความจริงนั้นทํางไงที่มีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์ต่อผู้อื่นคือรับประโยชน์จากความจริงนั้นๆก็เป็นเรื่องอะรทต้องพิจารณาต้องลงมือปฏิบัติ ตัวที่จะรู้ว่าได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์หรือเพิงได้ขนาดไห น, นยคือสติตัวสุดท้ายถ้าไม่มีสติก็ไม่มีทางที่จะรู้ตามความเป็นจริงท่านใช้คําว่ารู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงเห็นแล้วเป็นยังไงก็ว่างตามปกติก่อนกลางวันกลางคืน เขาก็จะปกติของเขาอย่างนี้ชั่วนาตาปีพระอาทิตย์พระจันทร์เขาก็ขึ้นลงค่าเช้าเมื่อเช้าค่าเมื่อพระจันทร์ก็เหมือนกันเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างนี้ตลอดเราก็มีหน้าที่รู้ว่าเออเช้าสายบ่ายค่าขึ้นตั้งอยู่ลงแต่ภาษาภูเจ้าถึงพยายามว่าเกิดขึ้ น, น, นตั้งอยู่ระดับไปเองก็คือนใจรักต้องเห็นอย่างนี้ ตแต่ต้นจนตเตเห็นอย่างนี้ทุกเรื่องชีวิตเราจะก้าวหน้าใจเราจะก้าวหน้าถ้าไปเห็นอื่นๆไปเห็นคนอื่นเห็นความดีความไม่ดีคนอื่นวุ่นวายสุดท้ายก็เศร้าหมองคือกดกิเลสนั่นแหละใครเศร้าหมองเราเราคืออะไรใจก็ใจไปเปิดมองที่คนอื่นแล้วไม่มองแต่เองว่าสิ่งที่ เราเห็นนั่นเช่นความโลภความโกรธความหลงเรามีไหมต้องกลับมาถามเราดัง น, นั้นเวลาถือไฟฉายทุกวันเนี่ยไฟฉายที่เรามีอยู่เราไปส่งแต่คนอื่นคือขันหน้าไปส่องคนอื่นคนนั้นค น, คนนี้คนโน้นเห็นหมดคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีนนเห็นหมดแต่ท่านเป็นเรื่องของเขาี่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะ เขาจะดีเขาจะชัว่วเขาขึ้นสวรรค์ลงนรกมันเป็นเรื่องของเขาแต่เราไปยึดเอ า, าเออไอ้นั่นไอ้นี่ก็ปิจักไปตกวิจารณ์ต่อไปแต่ถ้าหันไฟฉายนั่นก็ บ, บอกว่าหันมาส่องตัวเองเราจะเห็นตัวเราเองมันถึงจะได้ประโยชน์เห็นแล้วต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่าให้เกิดขึ้นซ้าแต่ถ้าเป็นดีซ้าได้แต่แต่ขอที่ไม่มีดี ต้องทำให้มันน้อยลงตั้งสติคิดเอาไว้เสมอว่ายานมันเกิดขึ้นตัวอย่างที่ที่สุดก็คือในภาษาการนี้สามเดือนที่ผ่านมาปฏิบัตออกพรรษ า, ารวันสุดท้ายแล้วแต่เป็นพระสงฆ์องค์เดียก็ถือว่าได้พรรษาพรรษาคือการผลหรือผลคือสามเดือนนี้แหละนับพรรษากาันแต่ว่าใครจะได้จริงหรือ ได้มากได้น้อยก็อีเรื่องหนึ่งหรือไปได้อะไรเลยก็อีเรื่องหนึง่งมันที่ตัวบุคคลผู้เราว็เช่นเดียวกันมาดูว่าในภาษาการนี้ตั้งแต่เขา้ารรษากรกดาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสามเดือนธรรมะเราได้อะไรได้คติได้ข้อคิดได้เห็นอะไรบ้างกับตัวเราเอง มันจะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่าลืมว่าชีวิตของพวกเรามันไม่ได้ยาวนานมาได้มากเต็มที่75ปีโดยประมาณอันนี้คือเฉลีย่ยแล้วนะเก็นเฉลีย่ยบางคนก็เกินก็ถือได้กำไรแตท่ทั่วไปก็ประมาณนี้โดยประมาณชีวิตของคนเราก็ไม่ได้เยอะ แล้วคนพูดนี่ก็ถ้าเอาเจ็ดสิบห้าก็ไม่ได้นานเลยเราคิดอย่างนี้เราจะได้เป็นคนคนมไม่ลำบาไในวัยในชีวิตแต่ที่สาคัญคือเออเราวัดได้แล้วเรารู้แล้วว่าจะต้องวัดอะไรเนมันจะได้ไม่ลำบากคนอื่นถ้าเราเราั้องหลายวัดตัวเองได้อย่างนี้โดยเฉพาะอันที่คือถ้าเรายัง ไม่มีอะไรกดเกณฑ์อะไรกฎกติกาเขามีเอาสินห้าข้อเนี่ยเป็นตัววัดถ้าจะวัดกายวัดวาจานะอันอื่นวัดไม่ได้เอาแค่สินห้าตรงนี้เป็นตัววัดกายวัดวาจานเราเองถ้าเราวัดได้ทุกคนวัดได้ตำรวจเขาจะเบาไปเยอะคุกจะว่างเว้นเยอะ ตำรดทํางานหนักสองสามแสนนายเพื่อดูแลคนหกเจ็ดสิบล้านทามาลำบากไหมเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราจะช่วยตารวจท่านแบ่งเบาภาระลดหน่อยเถอปะปนาเถ า, าทาธินาธานาการเมโมสาสุราค้าข้อแค่นี้เรามาดูกาคนที่อยู่ในคุกล ครบม้้าค้ประเทศเข้าไปเราก็เดือดร้อนผู้คนเนี่ยก็เพราะว่าชิ้นห้าเห็นไหมความสําคัญประเทศชาติบ้านเมืองประหยัดเงิประมาณไปเยอะเข้าแดงแกงร้อนไปเยอะเลยที่เข้าไปอย่างนั้นก็เพราะว่ามันวัดกายตัเองไม่ได้วัดวาจาตัเองไม่ได้มันถือเป็นยังไง พักตเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เสมออันนี้แค่ที่เป็นรูปประธาเห็นชัดเจนที่สุดแล้วแันที่สำคัญก็คือถ้าพูดถึงคุกเนี่ยพอพูดถึงที่สถานที่จับกลุ่มคุมขังคนที่กระทำความผิดบางคนเขาอาจจะไม่ได้กระทความผิดแต่โดนกล่าวหาโดยโระบบนักไปต่อสู้กันเรื่องรองกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ให้โอกาสแต่ว่าโดยส่วนใหมันไม่ใช่ การถ้าจะเปรียบเทียบอุปมาอุปไม้ให้พวกเราเห็นชัดเจนว่าคุกเป็นสถานที่จับกลุ่มกลั ง, งคนที่ทําความผิดโดยปริยายก็แปลว่าถ้าเราไม่ร่วมศบวนเสี่างเขาก็ไม่จับกลุ่มกุ่ขังแต่ว่าก่อนที่จะจับกลุ่มกลุ่มขค ง, งเขาจะให้ความยุติธรรมอะไรกกระบวนการยุติธรรมก็คือสืบสวนสอบสวน ในพื้นที่เขาตำรวจเราละพิจารณาไปดอเขาตัวกวดวกฎหมายคือไอการพิจารณาก่อนแล้วก็ตัดสินศาลสามกระบวนการเนี่ยใช้คนคนคนละคณะกันไม่ใช่ตำรวจแต่คนตัดสินคนเดียวนะตำรวจไม่มีอะ้รที่ตัดสินควบคุมกำกับเพื่อส่งกฎหมายพิจารณาและสศาลผู้ตัดสินใช้เวลาเป็นสิปี ยี่สิบปีบางที่อายุความเปยี่สิบปีบางเพราะนั้นการที่เราจะบอกว่าคนเนี้ยผิดหรือถูกนะมันไม่ใช่แค่เห็นแล้วก็ตัดสินใจเลยเหมือนที่เราคิดวันเนี้ยเห็นคนนั้นคนนี้คุณนั้นเห็นรู้ตัดสินใจแล้วคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นชอบคนนั้นไม่ชอบเนหะ็นไหมธรามายุติธรรมไหมมันไม่ยุติธรรมเพราอมจะไม่มีการสืบสวนสอบสวน พิจรารณาแต่เราเป็นศาลเองเลยตัดสินคนทั่วไปในโลกนี้เลยถามว่าเราเป็นศาลไหมเราเป็นคนยุติธรรมไหมเราเป็นคนมาตรฐานไหมมีอะไรมาตรฐานเลยเราจะไปตัดสินคนอื่นยังไงเดี๋นี้กลับปฏิคุกอีกทีหนึ่งวันนี้ชวนเขาคุกอย่างเดียวนี่ถ้าใครละเมิดห้าข้อเนี้ย ท, ที่ไปก็คือคุกแล้วตอนนั้นคุกเนี่ยเมื่ออยู่เสร็จแล้วเขเป็นนักโทษชั้นดีเขาลดแปดสิบเดือนขาดปกติะทิดไปร้อยพัน 100, ปีแล้วว่าไปไง100ปปั้นละร้อยปีห้าสิปีครึ่งหนึงตามพอดีแล้วครึ่งนหนึงครึ่งหขึ้นไปเลยเป็นนักโทษชั้นดีในขนาดที่อยู่นะ ก็แปลว่าศี่ห้าทองคบเห็นไหมเราไปมีศี่ห้าคบในคุกอะมันจะดีเลยมีขเขาไม่ได้เลยไอ้ไงก็ตามสุดท้ายเขาก็ลดหย่นนอนความโทษจนหมด เ, เรียกว่า อ, ออกจากคุกอันนี้คุกที่เป็นรูปธรรมอันนี้คุกที่เรายังไม่รู้ว่าเราติดคุกนี่หนักกว่านั้นอีกนะคุกที่ใหญ่กว่าคุกที่เราเคยเห็นน่คือ วัฏฏะสงสารเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดใหในจักรวาลจักรวาลว่าใหญ่แล้ววัฏฏะนี่ยิ่งกว่าจักรวาลอันนี้จะเป็นที่คุกขนาดแท้อันนี้ไม่ได้นนคุกขททันนนนคกขงคนแต่คุกขังใจใจคมมันเบี้ยว่หวตาเกิดอยู่อย่างนี้อยู่ในวัฏฏะนนี้ทําไงที่ออกแกวัฏฏะสงสารก็ดูคุกไปชินห้านะ เห็นไหมสี่ในความสําคัญสินห้าหรือยังสินห้าเป็นมืน้นฐานถ้าจะออกจากวัตะะคือจะออกจากภกเนี่ยต้องเอาสินห้าเป็นหลักเราก็คิดแล้วเป็นพระโทษชั้นดีละเสร็จแล้ ว, ลว ร, รัตนใจมันคงมั่นใจได้เลยถ้าเรามีของมีค่าอยู่ในมือเหมือนมีแก้วแหวนมนทองของมีค่าสมบัติอยู่ในมือคือพระรัตนใจ สองอย่างอันนี้ยเดี๋ยวที่เราทําทุกที่ทุกทางทุกวัดก็เรื่องนี้แหละต้องการให้พวกเราเข้าใจนะเออวยพระสะวันธรรมทานศีลเห็นไหมก็ต้องการให้พวกเราออกจากวัฏฏสงสกั น, นอันนี้ให้มันเร็วที่สุดเทด่าที่เร็วได้เพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งปีปีหนึ่งเดือนเดืนึงเราก็ต้องทบทวนพวกนี้ปีเพราคืนถ้าเป็นเป็นเดือนเป็นปีมันจะท้าถ้าทบทวนวันต่อวันวันต่อวันจะเป็นเรื่องดีที่สดุด เพราะเราจะได้เป็นนักโทษชั้นดีจะได้ออกจากวัฏฏะสองสารอันนี้เร็วที่สุดต้องเร็วได้ตอนนี้เราเป็นนักโทษนะอยู่นะอเราจะไปทิ้เราไม่ได้ติดคุกนะแล้วก็ไม่มีใครคุมด้วยคุกข้างนอกก็มีคนคุมจะมีเระยะเวลาแต่คุกอันเนี้ยที่รั้งจยู่ใวัฏฏะสงสารมันนม่มีนะ ท่าทีาผู้เช่าปริพานมา 2,000 กว่าปีมาแล้วแปลว่าท่าติดคุกมา 2,000 กว่าปีาแล้วหนักกว่าที่คุกที่เยอะที่สุดในประเทศไทยคิดดูดิเพราะม่ครูอาจารย์หลายองค์หลายท่านที่ตามวัดรปฏิปทาเกิดทันในสมัยผู้ริเจ้าแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากการเกิดในสมัยนั้นมาได้ประโยชน์เอาสมัยนี้ก็ได้แค่เห็นผู้ริเจ้าได้แค่ร่ำบุญ บางคนเป็นขอทานในสมัยนั้นตัวเองเป็นขอทานก็จะ อ, อยากทำบุญอยากทำบุญแต่ไม่มีเอาตัวเองยังไม่รอดก็ไปรับทานมาไปรับทานมาก็เห็นคุณข้าพอกคํายากจนของตัวเองโอ้สมัยก่อนเราคงไม่เคยคิดที่จะเอาอะไรให้ใครเลยก็กลับใจใหม่เอาของที่รับทานทแจกทานมา สมัยก่อนผู้มีเศียร์ศีรษะเขาจะตั้งหลงทานขณะฝากพวกเราทุกคนที่เป็นตั้งหลงทานเ น, นี่ยนึกถึงจริงเหล่านี้เพราะการทานคือการไม่จอดจงใครก็ได้มากินในระบบไม่ไ จ, จงก็ได้เป็นขอทานไม่อยากระบุชื่อเป็นขบวชนองไหนท่านจะเสียหายพูดไปพวกเร า, ารู้จักกันหมดผู้สมัยนั้นถ้านก็เป็นคนยากไร้อนาถาก็เอา ของตัวเองรับทานมาแล้วเออวันนี้้องอดสักมื้อก็ไม่เป็นไรก็ไปใส่บาทนั่นคืออาณิสงฆ์แต่ว่าอาณิสงฆ์นี้เดียวขนาดนั้นตั้งสองพันกว่าปีกว่าจะสำเร็จกว่าจะได้ผลกว่าจะได้ออกจากคุกติดคุกได้สองพันกว่าปีคุกดาวตะนั้นนะแล้วที่พวกเราอ่ะ แต่ตดคุกอะไรอีกนานไหมแล้วรู้ไหมว่าตัวเองติดคุกรู้เมื่อรู้หาวิธีออกจากคุกเรือยงทําไม่ั้นก็อยู่อย่างนี้อยู่นี่หมายาว่าเกิดแก่เจ็บตายวนไปเยอนมากแต่เกิดอีกทีคราวหน้าไม่หน่ใจว่าจะเกิดมาเป็นคนหรือเปล่าถ้าเกิดมาเป็นคนถือว่าโชคนดีถ้าไปทางอื่นก่อน ที่ไม่ใช่โลกมนุษย์อันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นการเดินทางในวัฏจักงสารก็ยิ่งช้าก็ไปอีกแต่ที่สำคัญคือการเกิดในชาตินั้นพบนั้นพบปุษนาแต่ไม่รู้เรื่องราวเลยชาวม้าวัวก้อยหมูม่มากาไกา่เหมือนพวกเราไหมและได้ประโยชน์ไหมจากการเกิดมีเหมือนกันหมดทุกอย่างแล้วได้ประโยชน์เหมือนพวกเราไหมไม่ มันก็ช้าไปอีกอีภพหนึ่งอีกชาติหนึ่งเพราะนั mm ้น hmm. พวกเราก็ตั้งสติทีทีเกิดอีทีถ้าไม่ไปส่วกว่านี้ไปสวรรค์กั บ, กบมาเดิมเนะลยเพราะนั้นพยายามทำให้พบชาติให้น้อยลงพยายามเอาความดีไปสร้างความดีให้มันมากถิตัวที่มาได้ถ้ามันวัดได้เดียยเออเราวัดกายของเราได้แล้ว วัดอาจารตัวเองนะวัดใจตัวเองนะแล้วไม่ต้องไปเข้าวัดไหนทั้งนั้นวัดประเทศไทยเป็นหมืนม่นๆวัดนไม่ต้องเขา้าเราวัดตัวเองได้อยู่ที่ไหนก็วัดได้อยู่บ้านก็วัดได้นี่คือการเข้าวัดจริงๆก็ฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นอนุสติคือเครื่องรึกนึกถึง เลดระยเวลาสามเดือนที่ผ่านมาสำหรับคนที่มาเข้าวัดฟังธรรมจำิีลภามนานเรียก ว, วัดตัวเองได้จริงๆหลายคนหลายท่านพระสงค์โอนเนนก็ดีวสุขวาสิกาผู้เราก็ดีบางคนปีนี้นเนศชิทั้งบรรดาตลอดปัฏาก็ขออุญทธนาในกุศลเจตนาของพวกเราทุกคนก็ขอบุทนาสาธุพ้อมกัน สาธุทำความดีต้องสาธุต้องส่งเสริมต้องอมุทนาเราแค่ยินดีด้วยเวลาคนอื่นเขาทำํำเราก็เรียกว่าอะนุโมทนาเราก็ได้บุญแล้วง่ายๆอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอิจฉาว่าเออมันก็ทําไปอย่างนั้นแหละกลับไปบ้านมันเหมือนเดิมมัเป็นเรื่องของเขาได้เป็นส่วนของเราเราได้เอาบุญแล้วมาได้เอาบาปนั่งภาษาการนี้ก็ถือว่าเยอะวันนี้ก็มาเยอะ ก็ขอให้เราได้รับประโยชน์จากการเกิดจากการแก่การเจ็บแล้วการตายแล้วการเกิดเก่ตานี้พยายามให้เกิดน้อยที่สุดพบชาติที่จะนี้ไปให้มันน้อยที่สุดบุญกุศลก็พยายามให้มันมากที่เท่าที่จะมากได้เราก็ไดรับประโยชน์จากการเกิดจากการพบอุปสราคอะอย่างนี้อย่างนั้นเลยสี้เวลาไปหลายพันปีนะก็อบอกหลายพันปี ดูอย่างขงวาาของเราจะสําเร็จในชาตินี้ได้เนี่ยใช้เวลาทั้งสองพันกว่าปีปโชคดีที่ได้ใส่บาตรหล้วก็ใส่บาตรเป็นเป็นใส่บาตรอริยบุคคลใส่บาตรผู้เจ้าสาวกอุคคลแล้วอริสงถึงแรงขนาดแรงนะสองพันกว่าปีนะแค่ทานแต่พวกเราถือว่าโชคดีตั้งบนศูนทานใส่บาตรเข้ามาบ่อยถือว่าเราน่าจะได้รับอริสง์อย่างนั้นมากกว่า ขอให้เราภูมิใจแล้วก็จะลืมว่าเราชอบพูดกันออกภาษาลาพระเจ้านะอย่าพึ่งลาจะรีบลาไปไนเหมือนกับเราลาจากกันลาแล้ว น, นะก็คือไม่เจอกันอีกแล้วเหรอบอกมือบายๆแล้วเหร อ, อย่าพึ่งบายๆ ด, ดูด้วยกันก่อน นันเป็นคำพูดเป็นคำพูดเนี่ยมันนั่นก็ให้อยู่กับพระตนัตใจดีที่สุดเป็นกัลยาณมิตรดีที่สุดไม่เคยทำร้ายใครเป็นวิธีดีที่สุดแต่ก็เป็นคนที่เป็นคนกับพวกเราจริงๆอันนี้คือสารธรรมสำหรับพระพวกเราในวันภาษาในวันนี้ก็ขอความดีที่เราทํามาทั้งหมดนี้ยังเป็นเครื่องรักษา พวกเราทาั้งหลายให้มีความสุขความเจริญเป็นภาลวะปัจจัยช่วยนุนส่งให้ผู้เรามีสภาพสถานะที่ดีขึ้นหมายถึงระดับของจิตของใจก็ให้มันสูงขึ้นกว่าเก่าอย่าให้มันต่ําลงกว่าเก่าในจุดนี้ทงที่ก็ยังดีความอนุโมทนาในกุศลเจตนาพวกเราทุกคนทุกเรื่องทุกเจตนาที่เราทำนัว่าป่าป า, ปากตินซึงมีสมาธิเ อ, อ่ยนามได้ทุกคน วันนี้ก็คุณจะรู้กันแล้วก็ความเดียร์นี้จะเป็นสบียงจะเป็นปัจจัยช่วยนุนส่งให้พวกเราทั้งหลายได้เปนความสุขความเจริญอยู่แบบโลกก็จเจริญแบบโลกคือทางโลกอยู่ทางธรรมเจริญแบบต่างหากขอให้เราทั้งหลายได้เปนความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถอ